กาสนะทายกะวักหมวดว่าด้วยพระอุกกาสนะทายกะเป็นต้นหนึ่งอุกกาสนะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอุกกาสนะทายกะเทระพระอุกกาสนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าออกจากประตูอารามแล้วได้ลาดแผนกระดานสําหรับนั่งไว้ และได้ตั้งน้ำฉันน้ำช้ยไว้เพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดเนกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการลาดอาสนะและตั้งน้ำไว้เนื้กลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอภิสามะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมาก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 ภาชนะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระภาชนะทายกะเทระพระภาชนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างหม้ออยู่ในกรุงพันทุมดีข้าพเจ้าได้แบ่งภาชนะถวายแด่ภิกษุสงฆ์ในกรุงนั้นเสมอๆในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้แบ่งภาชนะถวายภิกษุสงฆ์ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภาชนะในกลับที่ห้าสิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าอนันตะฉลิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพรานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระภาชนะทายกะเทระได้พาสุขคาาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ภาชนะทายกะเทราประธานที่สองจบสาสาระปุพพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระสาระปุพพิยะเทระพระสาระปุพพิยเทระ เมื่อจะประกาประวัติในดิจิต่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นคนทำขนมขายอยู่ในกรุงอรุณวดีข้าพเจ้าได้เห็นพระจินเจ้าพระนามว่าสิกขีกําลังเสด็จไปทางประตูเรือนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีใจผ่องใสจึงรับบาตรของพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาถึงพอดีแล้วได้ถวายดอกสาละแด่พระองค์ในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกสาละเนี่กลับที่สิบสี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิตตันชะละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้จราบว่าท่านพระสาละปุพพิยะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สาระปุพพิยะเทราประธานที่สามจบสกิลานชะทายกะเทราประธานประวัติในดิตจ่าของพระกิลานชะทายกะเทระ พระกีรัญชทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างจักสารอยู่ในติวรานครน่ารื่นรมหมู่ชนในนครนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สองโลกให้สว่างหมู่ชนเที่ยวแสวงหาสื่อลำแพนเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พื่องของสัตว์โลก ข้าพเจ้าได้ให้เสือลำแพนแก่มูชนนั้นเพื่อทาการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้กลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเสือลำแพนเนื้กลับที่77นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าฉลันทระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมาก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 เวทิทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเวทิทายกะเทระพระเวทิทายกะเท ร, ร ะ, เ, ททะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ให้ช่างสร้างแท่นัยทีไว้ที่ต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีนี่กลับที่เ้าสอดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ให้ช่างสร้างแท่นัยทีไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นพิทีในขับที่สิบเอ็ดนับจากขกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุริยสมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเวทิทายกะเทระได้ภาสิทธิขาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้เวทิทายกะเทราประธานที่ห้าจบ6วันนักการกะเทรารประธานประวัติในดิจา่าของพระวัรณกการกะเทระพระวัรณกการกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างทาสีอยู่ในกรุงอรุณวดีได้ระบายสีผ้าที่พระเจดีให้มีสีต่างๆเนื่อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ระบายสีผ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการระบายสีเนื้กลับที่ยี่สิบสามนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้วันณกกาะกะเทราประทานที่หกจบ 7. ปิยาละปุพยะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระปิยาละปุพยะเถระพระปิยาละปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตต่าของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่าดงทึบ เห็นต้นมหาดมีดอกบานสะพรั่งจึงเก็บเมาโปรโโลงที่ทางเดินข้าพเจ้ามีใจผ่องใสรับบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่หนทางแล้วได้ถวายดอกมหาแด่พระองค์เนื้อขับที่91สบอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 อัมพยาคพระทายกะเทราประธานประวัติในดิชาตาของพระอัมพยาคะทายกะเทระพระอัมพยาคพระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในศิลปะของตนได้เข้าไปยังป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จดำเนินอยู่จึงถวายผลมะม่วงในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลมะม่วงคุณวิเศษเหล่านี้เกือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าแท่นพระอัมพยาคธายกะเถระไดพาสุขคถาเหล่านี้ ประกาศฉนี้อัมพยาพระทายกะเทราประธานที่แปดจบ9ชาคติการะกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระชาคติการกะเทระพระชาคติการะกะเทระเมื่อจะประกาประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระนามว่าอัฏฐัตสี ทรงเป็นนราชนผู้สูงสุดเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเขาพเจ้าได้ให้สร้างฌานรอบพระสถูวอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่หนึ่งรสดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างฌานรอบคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระชักติคาระกะเทระได้พาสิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ชะกะักติคาระกะเทราประธานที่เ้าจบสิว่วาสิทายกะเทราประธานประวัติเนฎิจฉาของพระวาสิทายกกะเทระ พระวาสิธายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นช่างทองอยู่ในติวรานครที่ล้ำเลิศข้าพเจ้าได้ถวายมีดเล่มหนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงไพ่แพ้ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายมีดไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายมีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวาสิทายกะเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้วาสิทายกะเถราประธานที่สิทจบ อุกกาสนะทายกะวักที่ยี่สบจบรโโบริบูรณ์ร่วมอปทานที่มีเนวักนี้คือหนึ่งอุกกาสนะทายกะเทราปรทาน 2. ภาชนะทายกะเทราปรทานสสาละปุพยะเทราปรทาน 4. กิลันชะทายกะเทราปรทาน 5. เวทิทายกะเทราปรทาน 6. วันนาการกะเถราประธานเจปิยญญละปุพยะเถราประธาน 8. อัมพยาภะทายะเถราประธาน 9. กาชกติการกะเถราประธานส0วาสิทายกะเถราประธานและมีคาถา3าคาถาชันนี้แล วรทายิวัหมวดว่าด้วยพระตุวระทายิเป็นต้นหนึ่งตุวรัติทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระตุวรัติทายกะเทระพระตุวรัติทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตอนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนเขาเปเจ้าเป็นนายพรานเนื้ออาศัยอยู่ในป่าดงทึบ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 ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตุวรติทายกะเทระได้พากษกคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ตุวารติทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองนาคะเกษริยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระนาคะเกษริยะเทระพระนาคะเกษริยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าเข้าระเจ้าโกงสายธนูแล้วเข้าไปยังถ้ำกลางป่าได้เห็นต้นบุญนาคมีดอกเป็นพวงขึ้นอยู่ใกล้ทางเดินจึงใช้มือทั้งสองประคองกระทําอัญชิีไว้เหนือเสียงเกล้าแล้วได้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกเนี่กับที่9สองนับจากกลับนี้ไปเข้าไเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนือกลับที่77สิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสมโมกครณะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนาคเคจุริยะเถระได้พาสุดคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้นาคเคจุริยะเทราประทานที่สองจบสนาลินะเคสุริยะเทราประทานประวัติในดติชาติของพระนาลินะเคจุริยะเทระพระนาลินะเคจุริยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าเป็นนกกาน้ำเที่ยวอยู่ในถ้ากลางธรรมชาติครั้งนั้นเขาพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพเสด็จเหาะไปในอากาศเขาพระเจ้ามีใจผ่องใสจึงใช้จ ง, งอยปากคาบดอกบัวมาบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก เนื้อกลับที่92นับจากกลับนี้ไปข้าพุทเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่73นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสตะ ต, ตะปตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เครปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด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 ประวัติในดิจฉะของพระวิระวิปุพยเถระพระวิระวิปุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉะของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จดำเนินไปพร้อมด้วยพระขีนาศหลายพันรูปเขาพระเจ้าได้ประคองดอกเท้ายายม่อมบูชาพระพุทธเจ้าเนีกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ด้วยประการชนนี้วิรวิปุพิยะเทราประทานที่สี่จบ5กุติทูปกะเทราประทานประวัติในดิจช่าของพระกุติทูปกะเทระพระกุติทูปกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจช่าของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นคนรักษาพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสอบพระคันธกุดีให้หอมด้วยมือทั้งสองของตนตามการอันสมควรในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการอบพระกุดีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปุตตูปกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประกาศนิปุตตูปกะเทระประทานที่ห้าจบ6ปัตตะทายกะเทระประทานประวัติในดิตชาติของพระปัตตะทายกะเทระพระปัตตะทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีการฝึกอย่างดีเยี่ยมได้ถวายบาตรแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ซื่อตรงผู้คงที่ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบาตร คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัตตะทายกะเทระได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปัตตะทายกะเทราประทานที่หกจบเจ็ด ท้าตุปูชกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระธาตุปูชกะเทระพระธาตุปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกพระนามว่าสิท ธ, ธะทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าได้พระธาตุองค์หนึ่งของพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เขาพระเจ้าได้เกศพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งดวงอาทิตย์นั้นไว้บูชาตลอดห้าปีเหมือนบำรุงพระองค์ผู้ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดซึ่งยังทรงพระชนอยู่ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระธาตุไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบำรุงพระธาตุ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 สัตตะสตลิบุกพะปูชกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระสัตตะสัตตลิบุกพะปูชกะเทระพระสัตตะสัตตลิบุกพะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้วางดอกมะลิซ้อนเจ็ดอกไว้บนศีรษะแล้วบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูทรงเป็นนรชนผู้สูงสุด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 ท่นพระสัตตะสัตตลิปุพะปูชกะเทระได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สัตตะสัตตลิปุพะปูชกะเทราประทานที่แปดจบเกพิมพ์พิชาลิปุพิยะเทราประธานประวัติในดิตะชาของพระพิมพ์พิชาลิปุพิยะเทระพระพิมพิชาลิปุพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิต่าของตนจึงกล่าวว่าพระชีนเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นพระสยามผูเป็นบุคคลผู้เลิศทรงประกาศสัจจะสี่แสดงอมตะ บ, บทครั้งนั้นข้าพเจ้ารวบรวมดอกมะกล่มหลวงไว้มากมายแล้วบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เนืับที่หกสิบแปดนับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสี่ชาติพระนามเหมือนกันว่ากินชาเกสระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คกอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระพิมพ์พิชาเลปุพิยะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้พิมพ์พิชาลลปุพิยเทราประธานที่เก้าจบสิบอุททาลทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระอุทาลทายกะเทระพระอุทาลทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระปเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่ากุกุทะทรงเป็นพระสยามผู้ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้เสด็จออกจากป่าใหญ่แล้วถึงแม่น้ำใหญ่ตามลำดับครั้งนั้นข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ถือดอกราชพฤก์คูณมาถวายพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามผู้ผู้สำรวมอินทรีย์เป็นอย่างดีผู้ซื่อตรงในกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ด้วยประการศนี้อุททารทายกะเทราประทานที่สิบจบตุวระทายิวักที่ยีิหจบบริบูรณ์ร่วมประธานที่มีนิวักษ์นี้คือ 1. ตุวรัิทายกะเทราประทาน 2. นาคเกษริยะเทราประทานสนาลินะเกษริยะเทราประทาน 4. วิระวิปุพิยะเทราประทานห้กุติทูปะเถราประทาน 6. ปัตตะทายกะเถราประทานเจทาตุปูชกะเถราประทาน 8. สัตตะสัตตลิปุพะปูชกะเถราประทาน 9. พิมพิชาลิปุพิยะเถราประทานส0อุทาละทายกะเถราประทาน บัณฑิตทั้งหลายนับคาถาได้สามสิบเจ็ดคาถาชะ น, นี้แล 26. สิหโทมกะวักหมวดว่าด้วยพระโทมกะเป็นต้นหนึ่งโทมกะเทราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระโธมกะเทระพระโธมกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าอยู่ในเทวโลกได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเบิกบานใจได้กล่าวคํานี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุด ขอนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ทรงแสดงอมตะบททรงช่วยชนจำนวนมากให้ข้ามวัะสงสารได้เนี่กลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้กล่าววาจาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญคุณวิเศษเหล่านี้เฟอปฏิจพิธาสี่วิโมก8ปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโธมกะเทระได้พาสุกคาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้โทมกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองเอากาสนะทายกะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระเอากาสนะทายกะเทระพระเอากาสนะทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้ากับพัญญาต้องการจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดจึงละเพศเทวดามาในมนุษยโลกนี้เขาพเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายพิษาแข่พระเทระนามว่าเทวละผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระ เนื้อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาตคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระเอากาสนะทายกะเทระได้ภาสัจคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เอากาสนะทายกะเทราประธานที่สองจบสจิตตกะปูชกะเทราประธานประวัติเนฎิตชาตของพระจิตตกะปูชกะเทระพระจิตตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนฎิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอานันทะ ผู้เป็นพระสยามผูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วในป่าดงทึบที่ปราศจากมนุษย์ครั้งนั้นเขาพระเจ้าจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ได้ทำจิต ก, กาทานและถวายเพลิงพระสริระณที่นั้นและได้ทำสักการะเน่กลับที่91้าสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย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 จิตรกราปูชาะเทราประธานที่สามจบ 4. จี่จามปะกะปุพิยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระจามปะกะปุพิยะเทระพระจามปะกะปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อวิคณนะณนะทำกลางภูเขาลูกนั้น มีพระสมณะผู้อบรมอินทรีย์ดีแล้วอาศัยอยู่เขาพระเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้สงบประงับจึงมีใจผ่องใสได้ถือดอกจำปาสามดอกโปรยลงบูชาเนขับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจําปกระกปุพยะเทระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้จาปกระกปุพยะเทราประธานที่ <5. S 1> สี่จบห้ัตตะปาติริยะเทราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระสัตตะปาตริยะเทระพระสัตตะปาตริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองดังดอกกันนิกาประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาจึงได้เก็บดอกแคลไฟ่เจ็ดดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าในขับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้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 สัตตปาตติยะเทราประธานที่ห้าจบหอุปาหณทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระอุปาหณทายกะเทระพระอุปาหณทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้ามีชื่อว่าจันทนะเป็นบุตรของพระสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ถวายรองเท้าคู่หนึ่งด้วยปรารถนาว่า ขอท่านจงช่วยข้าพเจ้าบรรลุพระโพธิญาณด้วยเถิดในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายรองเท้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายรองเท้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุปาหณทายกะเทระได้พาจตกคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิอุปาหณทายกะเทระประธานที่หกจบเจมัญชริปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระมัญชริปูชกะเทระพระมัญชริปูชกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าทําพุ่มดอกไม้แล้วเดินไปบนถนนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิกกว่าสมณะทั้งหลายมีหมู่ภิกษุแวดล้อมเขาพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีและมีปิติอย่างยิ่งจึงประคองดอกไม้ด้วย ม, มือทั้งสองยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่เกสบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในืกลับที่เจ็ดสิบสานับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าโชติยะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมัณฑริปูชกะเทระได้พ า, ากษัตริย์เหล่านี้ด้วยประการศนี้มัณฉริปูชกะเทระประทานที่เจ็ดจบ8ปัญณทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระปัญณทายกะเทระพระปัญณทายกกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้านุ่งห่มผ้าเปลือกไม้มีใบไม้ที่ไม่มีรสเค็มเป็นอาหารและสำรวมในพรถที่ประพฤติตามการนิยมอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานเมื่อถึงเวลาเช้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธถะเสด็จมาห า, ขาเาขาพเจ้าเขาพเจ้าเลื่อมใสจึงได้ถวายอาหารนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปพระปเจ้าได้ถวายใบไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นโพลแห่งการถวายใบไม้ในกลับที่27นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัชพระนามว่ายัตทิยะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8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 ประวัติในดิจชาติของพระกุติทายกะเทระพระกุติทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปตามราวป่าประทับอยู่ที่โคนไม้ข้าพเจ้าได้สร้างบาารรณาศาลาถวายแด่พระองค์ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ในกลับที่เกสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายกุฏิใบไม้ไว้ จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายกุดีเนื้อกลับที่ส8นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบหชาติมหาชนพากันขนานพระนามว่าอภิวัตสีทุกๆุกชาติคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุติทายกะเทระได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิกุติทายกะเทราประทานที่เก้าจบสิอาค้าปุพพิยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระอาค้าปุพพิยะเทระพระอาค้าปุพพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้มีพระชวีวันดังทองคําประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัชมีดกกองเพลิงเขาพระเจ้าถือดอกบัวเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นนรชนผู้สูงสุดมีจิตเลื่อมใจมีใจยินดีได้บูชาพระพุทธเจ้าในขับที่สามสิบเอ็ด นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่ยี่สห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามิตฐาคาตะกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอาคพรปุพพิยะเถระได้พาสิทขคถาเหล่านี้ด้วยประการะชนิอาคพรปุพพิยะเถราประธานที่สิบจบโทมกะวักที่ยี่สิบหจบบริบูรณ์รวมประธานที่เมนิวักนี้คือหนึ่ง โหมกะเทราประธาน 2. เอกาสนะทายกะเทราประธาน 3. จิตกะปูชกะเทราประธาน 4. จีจำปะกะปุพยะเทราประธาน 5. สัตตะปาตริยะเทราประธา น, าาธาน 6. อุปาหณทายกะเทราประธาน 7. มัญชริปูชกะเทราประธาน 8. ปันณะทายกะเทราประธาน กุติทายกะเทราประทานสิบอัครปุพพิยะเทราประทานและในวักนี้นับคาถาได้สี่สิบเอฟคาถา